คนค น, นามสวันนี้มาสรรมสามสโอ้โอม่ค่อบเกดน้ำนะนักน้คาแผนีน้แลวน้าใจะนน้ใจอบทาของเสียหายเลยทำอะไรไม่ม เพราว่ามีสัญญาเป็นเพราะว่ามีสัญญาคืเสียแต่ของนอกเี่ของนอกชอบของในชอบแของนอกกับชอบของในหรืองไทยสมัยก่อนอิ่มหนึ่งกับถลึงหึงเลยน่าอิ่มนึงกับนึ่งเ เปลี่ยนแก้วคนละแ้วคนละแก้าคนละก้วหลายบาทเาให้ดื่มเขาถานมาให้ดื่มใครไปเทซิ่งบบาทโยมทานมาเขาไ ม, ม่ให้โย <c oughs> มดื่มให้พระ ถ, าถวายพระกัด้วยนะโยมไปเทซิ่งหมด จะโยนถวนายหน้ามาให้พระดื่มไม่ได้ไม่มาตรวจหน้าเลยของพระสงฆ์เน่ยทำเป็นได้บุญทำไม่เป็นได้บาปอยาไม่ก็พูดแล้วแต่ขนมาเยอะยิ่งพูดยิ่งขนมาเยอะลูกหลามหลงทางเดิน จะพ่อภาษาอีสานเจ่อทั้งเบิ่งทุกหลายมุติคำพ่อสะพูกว่มุสาคำท่ามาสะทั้งโคกพูมาทั้งหลับพูมาทั้นหลับเฉยๆแล้วก็เกิดเป็นที่แล้ว เกิดก็เป็นพ้นไข้หมดเกิด็นพ้นคคนคือตามผมปลาไปบอดหนวดเป็นหมูหัวใบจาใช่ไหมก็บริญยินโอ้ใช่ไหมก็บริญยินเดยูดี่ะงูเงี้นว่าไมชอไปฟดหมูพวกแร่จังหูกแร่นี่ปีนี่ปีดิทไมวันนี้บริญยิน ก็ร่างก็ได้ก็ไปดิ้น <c> เ <oughs> ข้ามาแล้วกาขอหมดแล้วไม่ได้จิงไงชาวม่านพักกันเพื่อหว่าคนนี้แต่หมดกุ้ปดใจได้เป็นพักเนาะ วิญญาณก็คนบูชาจะเป็นกาสามพันไม่แม้คนดอกไม้มาบูชาลาบากเอาคำบูชามีนาพร้อมกัน đẹp q u a thăm bôn, cứ hiển l ò n g แลสามทางอืมนั่นนะมัาทางพระส่งอือโอ้ว่าต้องน้อยคนละอดใจในเป็นพระแล้วว่ากินขวอมยากอล้วว่าปากขวอมเทียนอดใจบอภาษาต่างพอเขาอิ่มใจว่ะภาษาอีสานไง แก่พ่อินพ่วงอยากแก่พปากพ่วมเครียดที่จักรวาลกลังหิวอยากพึ่งฉันภาษาชาวบ้านอยากพึ่งกินแก่พ่อกินพ่วมปากพ่วมอยากกําลังหิวอยากพึ่งรับประานปดใจได้เป็นพระมันจะเป็นกองข้าหน้อยค่ะแม่แต่กำลังหิวยุ่นน่ะนะติพย์ไงพันไดียกว่าติพย์เขาหน้อยทิพย์เขาหน่อยแก่พ่อปากพ่เครียดกําลังโกรธจุ่นิดตากไว้ที กันส่วนหมาเขากนบางเขียดมันด่ากันห้ามจมูกมันจังสันจังที่นั่นนี่มว่าไปคเด้ยวไปนอดใจได้เป็นพระอดใจไปจังว่าเป็นกองขอนอ่าสาแม่ตายมันได้แตดได้น้อยได้น่อยได้หน่อยกองขอนยิ้มเป็นอะไรก็เพายมเพรายิมบัดิ้นเราจินบังงับดำสาแม่ตายราาแม่ตายกต้องมากินเด้้กองขอน น้อยง่ายก็จริงแต่ง่ยก็ดับากอยากเดีอดใจได้เป็นฝ่ายพาเดียวโอ้ใจไปบางทีก็เล็กไม่น้อยปวดก็ไม่ไม่กัดเตรียมที่จะเก่าเลยยาอดใจไปสักพันอดใจได้เป็นฝ่ายเลยอยากให้เข้าใจทำบุญทำบุญอาหารใจเมื่อกี้เห็นบะถ้าพูดแล้าว่าบไปวัดทำบุญถ้าไม่ทำบุญจนนี้เราก็เป็นบาปดิโกหกตนเองพระสงฆ์ก็ไม่บอกยมทำบุญ บอกไม่ยอมทำบุญจะไปทิงควรนี่คำนี่พระเจ้าไรือตัตตรูเพราะพระเจ้าทำบุญทำบุญคืออะไรดูลงข้อลงบอกมันไม่ได้ซื้อถ้าได้ซื้อลุงปู่ไม่บอกหรอกขาดสติขาดปัญญาเลยทำไปสุ่มสี่สุ่มห้าเห็นไ่มเดน้ำทุมีทุมาทุถูกทุเทียนทุมีทุ่มากุกาุ้มีุ่ม้าอ๋อไปตอดียงกันมเ ขึ้นต้นขึาลลูกความก็ติดขึ้นอยู่นี่จุดถูกจุดเทียนก็พอจุดถูกจุดเทีอันได้ไดีบุญต่างกันนะวิชาดอกไม้กับบัวิชาดอกไม้ไดผิดทำผิดไปไหนไปตัดเขามาเป็นบากเขาบอกเราจะตัดฉันไปจะตัดฉันไปกำลังที่ไม่ลงเน่ยเห็นบ่ตายเป็นดอกกําปาไปตัดเฮ้ยหาดอกําปามาเป็นเรียกไหลออกมาดอกจําป่าที่ตัว น, นีท่านดอกกําปา <c oughs> เกิดทาเอาพุ่นจากอามาบูชาเอาต้นมาปลูกอ้อมวัดห <c oughs> okay. ร, รืกระไดเว้นี่จานทร์ทำไปปลูกอยู่วัดร <c oughs> ่อนปลูกอ้อมทั้งนอก <c oughs> <c oughs> แต่อยู่ในเ้นสี่บวยมีมันเสียหนึ่งเสียธรรมชาติอยู่นำปางลำลงสองทำให้ลูกหลานหลงทางเดินนือเป็นแนวทางของลูกหลานลงเอาส แกกันเอาน้ำไปใส่ในประเทศไทยยุ่งตอบคนได้บุญก็ได้บาปสิหคือก็ไปเหตุดีแท่พระาไปเท ศ, ไ ป, ไราาทศประดิษ้ตามนี้ตัวศาสนากระทรวงสาธารณสุขบอกว่ารักษาสถานรักษาสถานที่อยู่อาศัยอยากให้มีน้ํากกปรงคือบอกหลวงพ่อเนี่กระทรวงสาธารสุขก็ได้หลวงพ่อหลวงปู่อยาให้ญาติโยมเอาน้าไปใส่แก้กัน ตั้งไว้โต๊มุขบูชามันเกิดยุงไปตอดคนแล้วก็เพราะเข้าวัดไม่ทาบุญเป็นอย่างนี้แหละไม่สอนให้ทาบุญสอนเอาของท่านท่านไปทันมาน้ำจับผักสิบน่าคือเงินหลาย <c oughs> อหล่าปโนกาเวนเนโม